ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปปัฏฐยานในวันนี้คงพูดเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสืบอต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวัดก่อนบันก่อนเป็นการพูดเรื่องปฏิกูลปภ ะ, ะคือแยกร่างกายออกไปเป็นสาสสองส่วนที่เราเรียกว่าอาการส2สองตามปกติเราก็รเรียกว่าให้ครบอาการ32สอง บางทีก็าอาจจะนับไปถูกเหมือนกันนะฮว่าการลับถป็สองคืออะไรเปตัวเลขมันเยอะแล้วก็จริงเราม่ได้เรียนแพทย์มาเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่สิ่งนั้นรูปร่างเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงแต่เวลานี้ที่จริงมันมีรูปอะไรมาให้ศึกษาเราไปโรงพยาบาลเราไปยืนดันอ่านดูก็สะสมความรู้ความเข้าใจเอา ว่าส่วนใหญ่มันอยู่ข้างในมันถูกหนังหุ้มเอาไว้แล้วก็ต่อไปเป็นเขาเรียกว่าธาตุ ป, ประภะคือแยกร่างกายเอาไปเป็นสี่ส่วนคือธาตุเนี่ยมันมีหกธาตุธาจะใหญ่นะดินน้ําลมไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยด้วยตาแล้วก็ด้วยกายจนลงเราสัมผัสได้ด้วยกาย ไฟเนี่ยที่จริงสัมผัสได้ตัวไฟจริงๆเนะี่ยสัมผัสได้ด้วยกายนะฮะแต่ว่าเราก็เห็นเปลวของมันสัมผัสได้ด้วยตาก็ได้นะฮะบางทีได้ยินเสียงไฟไหม้ก็สัมผัสได้ด้วยหูก็ได้แต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องความจํามันเกิดขึ้นจากเรามีสัมผัสตรงมาแล้วเราก็จําเสียงไฟไหม้อาไว้ รู้ก็จริงๆนฮะรู้ตัวความร้อนจริงๆเรารู้ได้กายก็ตรงลงว่าถ้านดินท่านน้ำเนี่ยก็เรารู้ได้ตาได้ท้านไฟกับท่านลมเราก็รู้ได้กายก็เรียกว่ากายสัมผัสแต่ว่าอากาศาธาตุเนี่ยที่จริงก็รู้ว่ามีนะก็เป็นกายสัมผัสเหมือนกันแต่ว่ามันละเอียด พรเจ้าก็ไม่เอามาสอนต้นๆเนี่ยไปสอนไม่เจริญกรรมฐานไปจนถึงอรูปไปกรรมฐานไปเรืองรูปกรรมฐานเนี่ยมันก็สอนเรื่องอากาศแล้วก็วิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมก็ไปสอนทียรูปกรรมฐานเหมือนกันคือวิญญาณนั่นจอาอจตนะคือจิตเราต้องเป็นสมาธิมากคือบางทีนี่เราก็นับได้นะฮะแต่ว่า ให้เอาไว้จริงๆเราก็ระลึกไม่ทันนะสติเราไม่มีพอที่จะไประลึกได้ขณะนั้นเช้นขณะในภาษาความพิธามเนี่ยก็ว่าได้นะพูดได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่มีสติปัญญาพอที่จะเป็นครับนอกจากว่าท่านเหล่านั้นจเจริญกรรมฐานมาจนสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อนเนื่องเนี่ยท่านอาจจะระลึกได้ระลึกทัน ในการมองเป็นธาตุก็คือมองแบบแยกส่วนเหมือนกันก็แยกเป็นสี่ส่วนเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยมันก็เหมือนกับดูไปในร้านตลาดนะไปดูเขาฆ่าโครหรือฆ่าหมูก็ไม่ตั้งไม่ก่อฆ่าหรอกเกิดเปนเนื้อโคเนื้อหมูที่มากองไว้เราจะเห็นก็ว่าในในแง่ของความเป็นจริงไม่เป็นทั้งโคทั้งหมู มันเป็นกองของเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนะมีตับไตใส่พุงไปกองอยู่ตรงหนึ่งมีโขมีเขามีหนังไปกองอยู่ตรงหนึ่งมีกระดูกตรงนั้นตรงนี้ไปกองอยู่ในที่หนึ่งเราก็เห็นจดเจตียน ว, ว่าการเกาะกลุ่มกันอย่างมีสัดส่วนเนี่ยมันจริงทำให้เกิดความกําหนัดรักใคร่พอใจในสิ่งเหล่านั้น แต่พอแยกส่วนออกไปแล้วก็จะเห็นว่ า, าตั้งแต่นี้เอาคือจริงก็เป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสีคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะฮเอาเฉพาะตรงนี้ก็เอาแค่สี่ธาตุสี่ธาตุก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครัตัวโลกตัวที่จริงเลวลานี้มันก็อยู่ด้วยธาตุดินน้ําลมไฟอากาศบิน ญ, ญาณ น, นะฮะแต่ว่าตัวที่เป็นปรากฏการณ์ทั้งบวกทั้งลบเนี่ยก็อดินน้ำลมไฟอากาศ วิญญาณกงเหลนกันแหละแต่ว่าที่มันกระทบอวิญญาณเราคุมมันได้เดินน้ําลมไฟอากาศเนี่ยเราก็คุมเขาไม่ได้เขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาบทจะท่วมเขาก็ท่วงบทจะแห้งเ้าก็แห้งก็ไม่รู้จะไหวยังไงแต่ให้ลองสังเกตว่าในบรรยากาศที่ผิด ป, ปกติเนี่ยก็แรงวัฏจักไม่สม่ําเสมอกัน ถ้าใดข่านหนึ่งแรงเกินไปยังเคยตั้งข้อสังเกตแปลกมาเดืสังเกตมานานเลยเกินเวลาไปผ่าสานในกระหายนา้ำอย่าตัวบรรยายที่แถวนี้แถวสูงเงนแถวเนี้ยนะครับก็สองหรือจะมากกว่าสามถุกงบา ง, างทีในหลังเที่ยงในดื่มน้ำตอนยอนถับแก้ว ยังพูดผ่านไปได้แต่ที่อื่นก็ไม่เห็นต้องดื่มน้ำแล้วเกิดสงสัยเอ๊ะทำไมที่นี่มันอากาศมันเป็นยังไงอากาศแห้งๆยังไงชอบกลัวแต่ที่ผิดตังเกตก็คือต้องดื่มน้ําเยอะแล้วคอแห้งผากเลยแห้งเกิพูดไม่ออกจะมาจะเป็นวัยอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนมาจะพูดนานยังไงก็ก็ไม่ดื่ม ไม่ดื่มน้ําถ้าเวลาบรรยายอยู่เนี่ยจะไม่ดื่มเราเคยพูดถึงหาชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราก็ไม่ดื่มแต่ทุกวันเนี่ยก็แสดงว่าธาตุมันหย่อนนะถ้าน้ําคงหย่อนลงไปก็ทำให้ขาดแคลนขาดขา ด, ขาดแคลนน้ําในร่างกายเราไอ้พวกนี้อยมาเกาะกลุ่มกันก็กลายเป็นร่างกายขึ้นทีนี้ธาตุธาตุดินเนี่ยดินกับ น, น้ําเนี่ยก็คือที่ว่ามาแล้วนะฮะ ผมควรเลือพันหนังเนืเลือดหนองเด็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หานเก่าถึงมันสมองเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุดินแล้วพวกน้ำทั้งหลายน้ำลายน้ำเงือน้ำเสลดน้ำามกน้ำไขข้อน้ำนูดเงือเลือดอะไรตอะไรต่างเนี่ยพวกนี้ก็เป็นธาตุน้า ลมพัดขึ้นบ้องบนลมพัดลงบ้งงอ ง, ง, ง, ใใ ง, ใใงต่ำลมในท้องลมในไส้ลมหายใจลมตันตามตัวเนี่ยเป็นทัดเป็นถัดลมไฟทำกายอบ อ, อุ่นไฟทำกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้รอด ใ, ให้ย่อยไฟที่ทำกายสุดสุก็ถือเป็นธาตุไฟทั้งก็ก่อกุุงกันมาก็มา ก, กลายเป็นร่างกาย แล้วพอพิจารณาเห็นาความเป็นจริงแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะคือดูธรรมดาความเกิดขึ้นของร่างกายดูกายที่เป็นภายในกายที่เป็นภายนอกไม่ว่ า, าเอาเฉพาะหยาบๆว่ากายเรากับกายคนอื่นไม่แล้ะกันกายภายในคือกายเรากายภายนอกก็คือกายคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นเนะี่ยไม่ลวงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เช่นสมมติเราพิจารณาว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้มความแก่ไปได้เราพิจารณาที่เราเสร็จแล้วก็ดูคนอื่นคนอื่นก็คือกันเนะี่ยถือก็เข้าถึงธรรมดาคืออยู่ด้วยกฎเกณฑ์ธรรมดาเหล่านี้แล้วสุดก็จะเกิดเบืหน่ายคลายกำหนัดในกายตนแล้วก็กายบุคคลอื่นความรักความชังตัวบันเทาลงไปแนวตรงนี้เป็นแนวกําหนดรู้ทุกข์ษัตริย์นะแต่ว่าตัว ธรรมะที่ใช้พิจารณาลองเห็นว่าสติสัมยัญญาความเพียรเนี่ยที่จริงก็คือเรียมะสติก็คือคือสมาสติวิยะก็คือสมาวยามะสัมจัญญาก็คือสมาทิฏฐิกับสมาสังกัปปะพิจารณาใจสงบก็เป็นสมาสติเออสมาสมาธิส่วนสมาวจารสมากรรมตาสมาชีวะนั้นมันเป็นฐานอยู่แล้วนะคือไม่ต้องพูดตอนในขณะนั้นจิตใจก็ กายวาจาก็สงบไม่ได้ทําชั่วทําผิดอะไรในข้อต่อไปก็สอนพระฤๅษี ว, ส, วสิกาปภะดะสอนให้ดูป่าช้าทั้งเก้านะตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนกลัวผีเนี่ยเขาก็ห้ามนะฮะแล้วก็คือมันเงื่อนไขคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเขาไม่เจริญกรรมฐานข้อนี้ย เพราะว่ามันเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายแล้วก็โอกาสที่จะถูกกล่าวไร้าทําลายชีวิตหรือถูกเดียดเบียนเจตนาบอกว่ายืนเนี่ยถ้ายืนใต้ลมก็จะถูกกลิ่นศพเขากวนแต่อยู่จะยืนเหนือลมจะไม่เป็นที่พอใจของอมนุษย์อยู่ใกล้เกินไปก็จะเห็นอยู่ใกล้เกินไปก็จะเห็นไม่ชัดอะไอแต่ไหมันมันเป็นปัญหาเยอะ เรียกว่าป่าชาทั้งเก้านะก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรคือดูศพนั่นเงเลงแต่ว่าศพที่อายุเปลี่ยนก็เรียกว่าตั้งแต่ตายสองวันสาวันมาเยวก็ดูสภาพของศพเราก็น้อนมมหาเรานะครัดูเราไปหาศพน้อมศพมาห้เราแต่อย่างนี้คือต้องจิตใจต้องเข้มแข็งอนะครจิตใจต้องเข้มแข็งถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไปเลยเหมือนกัน คือว่าควบคุมความรู้สึกไว้ไม่ได้อาจจะกลัวหรืออาจจะปรุงแต่งคือประมาณปศสองพันห้าร้อยนะเละมีภาพโปสเตอร์เป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายยืนควงแขนกันแต่ผ่าซีกนะฮะสี่หนึ่งเป็นกระดูกซี่หนึ่งผู้หญิงด้วยชุดดาจรีชุดชายเป็นชุดสูทแต่ซี่หนึ่งก็เป็นครวงกระดูก แล้วก็เขียนไว้ข้างล่างเนี่ยวณติสังโฆวิชาณตังลง ม, มาจากพระพุทธดำรัสที่ว่าเอาะาธะปัสสะทิมังโลกังจิตังราจาตุโภปมังยัตบาราวิศีดันติณติสังโควิชาณตังเปโวสูวจา้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดูรัชรสที่พวกคนเขาค้องอยู่แต่พวกผู้รู้หักคองอยู่ไหมณติสังโฆวิชาณตังก็คือพวกผู้รู้หักค้องอยู่ไม่พวกผู้รู้ไม่ค้องอยู่แล้วมาเพ่งวางข้างหน้านี่เพ่งพิจารณา พิจารณาในแนวของวิปัสสนาเป็นหลักนะฮะแต่ว่าใจมันไม่เข้มแข็งพอคือขาดสมาธิที่เป็นฐานกรรฉันมั้นยังไม่สงบแล้วก็ไปพิจารณาตรงๆอย่างนั้นมันไม่ได้อะนะเพราะว่าใจมันไหยไฟต่ออารมณ์มอเกิดปรุงปรุงแต่ง ปรุงแตง่งทึ้งมาปรงไปปุงมามันแทนที่ไอ้ไข่ด้านเนื้อจะกลายเป็นกระดูกเลยเห็นโครงกระดูกสองร่างเนี่ยยืนเกี่ยวก้อยกันดูเนี่ยมันไม่เห็นอย่างนั่นแหละมันก็เห็นคือว่าไข่กระดูกมันกลายเป็นเนื้อแล้วก็ปรุงจนสวยงามเป็นสาวสวยหนุ่มหลอ่อคิดไปคิดมาไอ้หนุ่มหลอ่อกลายเป็นตัวเองเนี่ยไปกันเตลดิดเปิดเปิดกันไปใหญ่เลยคราวนั้นเนี่ยกรรมฐ า, านแตกกันเยอะ มีการเดินขบวนพระกรรมาฐานเป็นร้อยๆจากพักได้ขึ้นมาอยู่แต่พักอยูแถวเนี่ยแถวนั้นตอนนั้นสวนจตุจักรยังไม่สร้างเนี่ยตอนนั้นเป็นตุ่มเดี๋ยวขึ้นเลยไปทางเชียงใหม่หายไปนานก็สงสัยเอ้ยพระชุดนี้หายไปไหนต่อมาก็เจอเข้าบางรูปก็สอบถามก็อบอกว่าสาว ฟังเหลือเอาบาทไปทำรังไก่ซะเยอะอะไรเพราะว่าไปไปมองไปเจริญกรรมฐานที่ไม่ดูตัวเองซะก่อนมันต้องให้สัปปายะมันต้องแน่ใจนะะอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าตอนพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นประทับอยู่ที่ต้นสีมาภูโหน่ที่ทรงมั่นกระไทจนอธิฐานว่า แม้เลือดเือในกายของเราจะเือดแห้งไปยังเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าไม่แด่ศัตรูก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาัศนาะที่นั่งอยู่นี่มันเป็นการทิ่ฐานพระไถยเมื่อตอนที่ทรงบรรลุอรูปฌานแล้วได้สมาบัติแปดแล้วนะกิเลสมันสงบหมดแล้ว ต้นมาที่มาประชวรพระพุทธเจ้ามันเป็นเทพุตตมานจะกิเลสมารแพระกิเลสมานสงบตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นไปนั่งบนประเทศบนประเทศภายใต้ต้นขี่มาโพแล้วพระท่านที่ว่าเนี่ยคงจะเป็นพวกจเยวตเป็นที่บูชาเทพเจ้าของคนในสมัยนั้นน่แต่ว่าฮาราจเจนว่าพระกัจจายเทพฐานกล้าหารจันชัยไม่จะเล่นคือขึ้นไปนั่งบนที่ที่เขาเคารุปะแล้วก็จะชารุบนที่นั้น ต้นไม้สัตว์ประพฤ์เป็นต้นไม้แนวศักดิ์สิทธิ์ของคนสมัยโบราณนั่นฮะเมื่เรานัถือต้นไม้บางต้นในสมัยนี้มีตั้งแท่งก็คงจะไม่สวยงามแบบวัระอารมดังที่ว่าในปัจจุบันเราก็เป็นรูปแบบพอุมควรพ้นกรังฐานพวกนี้ที่จริงถ้าใจเราไม่หนักแน่นพอนี่ก็ดูยาก แล้วบางที่ข้าวคนเดียวมันก็มีปัญหาเรื่องกลัวผีกรรมถานชุดนี้บางทีมันเล่นเราหน้าดูเหมือนกันนะคือมันลุกขึ้นอนะ่ะมันมันเห็นด้วยตาคือเห็นจริงเต่๋ยวสิ่งที่เราเห็นไม่จริงอนะเดี๋ยวเราหลับตาเห็นแล้วมันศพเนี่ยมันลุกขึ้นมาเลยนะระพิจารณาไปบางพองให้ดูเลยพอไงดูเลยเปื่อยหน้าให้ดูเลยแล้วก็ลุกขึ้นนะ ลุกขึ้นก็คงจะเป็นภาพในมิติปรุงขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ดูแต่เคอคนก็ระกลัวผีก็วิ่งตเตลิดเปิดเปิงไปเลยดังนั้นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ของการทำกรบปัฐานทุนนี้จะเยอะมากจะอธิบายไวมากแล้วก็ตามปกติพระก็กไม่เคยเอามาพูดนะฮะไม่เคยเออกมาพูด มันก็เหมาะสมับ ค, คนที่ตัณหาจะดิบกล้ามากๆตัณหาเยอะมากแล้วก็โง่ามากคือมันต้องสอง ม, มากนะหมายความว่าทิฏฐิกวิปริตมากๆคือเราลองนึกดูว่าคนที่่าเป็นโรคเขาเรียกอะไรโรคกา ร, รมิฐานนะั่นแหะที่ว่าพวกจำเราสพอะไรต่างๆนีน่มันแสดงตัณหามันมากแล้วก็โง่ามาก เป็ น, น้ำมืตาลายไปเลยบางทีก็บวนะฮะบางทีก็กำหนดคือปรุงไปเลยเพราะฉะันจึงสอนให้ดูศพตั้งแต่แต่และ ว, วันหนึ่งสองวันสามวันนะแต่ว่าไม่จะศพจิตยานะฮะคือศพที่ปล่อยตามสภาพของมันเคยตอนเป็นเนเนี่ยเคยเจอศพถูกโควิดตายทิ้งูุกรังนานะฮะกว่าตารวจจะมา แพทย์อะไรตไระไลจะมาฉันสูตรศพเนี่ยก็ว่ายังไม่ได้ใส่ลงแล้วก็นิมนต์นา้พิจวดแม่อัตมานี่นั่งจนศบเลยที่นั่งมันแคบอ่ะก็นั่งชนศบเลยโอ้อุตรุษจีวรนี่ทั้งตัวเลยเนี่ยเหม็นหมดทั้งตัวเลยกลิ่ติดกลิ่นศพมาถึงต้องเปลืองทิ้งไว้ข่อนรุ่งเช้าจึงไปซัก พิจารณาไม่ไหวมันนั่งใกล้เกินไปใกล้เกินไปจนจนรู้สึกอึดอัดแต่ก็แสดงอาการอะไรไม่ได้อะนะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาชาบ้านก็เล่นแดงแงบางทีมิมไ์ไปไปสวดแล้วไปฉันแล้วก็ศพเนี่ยก็ปล่อยธรรมดาน้ำเหลืองก็ไหลลงมาข้างล่างแล้วก็ลูกฟักวางไว้ข้างล่างเนี่ยน้ำเหลืองก็ลงไปบนลูกฟักลูกฟักมกันก็อม แล้วก็สีแดงสีสีสีนี่สีน้องเหลืองเนี่ยที่น่าเจ็บใจก็คืออาหารมันกลายเป็นทามาลูกฟักด้วยสิอาหารเดียวมาให้ฉันเนี่ยแงสาหัสสากันมากบางทีก็ไปเจอศพเป่าฆ่ากันตายภายในครอบครัวลูกเคยฆ่าเนจะ็ดศพเอาฝังเรียงเอาไว้แล้วนิมนต์ไปชัก ป, ป่า นี่วันไปชักประปาในศพที่เจ็ดศพที่หนึ่งนะหมายความมาเดินไปจากศพที่เจ็ดเดินเดินไปไปชักประปาในศพที่หนึ่งเราเป็นเด่นอายุไม่มากมก็กลัวไม่กล้าไปอันนี้ก็คือพวกแมวที่ต้องการสอนในเรื่องให้บรรเทาความกำนัดความเพลิดเพลินดีในร่างกายเราก็ดูศพอย่างนี้ ก็ท่านก็อธิบายลาักษณะเทว่าหรือตายแล้วสามวันที่พองขึ้นมีสีเขียวน่าเกลียดเป็นศรีระมีน้ําเลืองไหลายน่าเกลียดเจอว่าน้องเข้ามาสู่กายนี้แล้วว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงเพิ่มความเป็นอย่างนี้ไปได้อันนี้ก็เป็นหลักการสาคัญ น, นะเราจะเจอบ่อยเลย โซ so, อิมะเมวะกายังอุปสั่งหาติอยังบิคโคเมกาโยเอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวังนาติโตเนี่ย น, นี่จะซ้ำดูมากเลยแล้ ว, ลวก็พิจารณาเห็นกายในกายทั้งที่เป็นภายในภายนอกก็ว่าเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็ดูศพดูศพที่เขาอาจะ ซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชา้าผงกาจิกลินดูบ้างผงแร้งจิกลินดูบ้างผงนกตะกลมจิกลินดูบ้างผงสุนัขกัดกินดูบ้างผงสุนัขกินจอกัดกินดูบ้างหมูลสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัด ก, กินดูบ้า ง, ง, กกา ง, งกกอันี้ถ้าพูดถึงเราดูชีวิตสัตว์พวกอนิมณ์นะนะพวกอนิมอนในรายการเนี่ยมันที่จริงน่าศึกษานะครับถ้ามีเวลาเลยก็น่าดูเพราะว่ามันให้อะไรเยอะ บางทีซากศพเนี่ยมันก็ถ่ายให้ดูมีตัวหนอนตัวแมลงวันตัวอีแร้งอะไรแต่ไรก็ลงเจ็กินเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานถึงหน้าถึงหน้าศึกษาหน้าหน้าพิจารณาก็ช่วยอะไรได้เยอะเนื้อตัวนี้นคือหมายความมาัก็รู้สกตามสภาพที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จบลงเหมือนเหมือนเดิมนะฮะน้อมกับมหากายเอวังธรรมโมเอวังพาวีาาวัองอนาติโตเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูไปจนถึง อสร้ า, ากศพเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและมีเลือดมีเส้นเด่นดรัดรูดก็น้องก็มาสู่กายนี้ก็เหมือนกันนะฮะน้องก็มาสู่กายเหมือนกันด้วยว่าไปดูศพที่เ้าทิ้งไว้ในป่าชา้ามีร่างกระดูกอ้วนไปเลือดแต่ว่าปราศจากเนื้อแล้วอมีเลือดเดือลืออยู่บ้างยังมีเส้นเด่นรัดรึงอยู่เธอก็น้องก็มาสู่กายนี้เหมือนเดิมนะฮะกกลับกลับมาครื่องหมายความว่า อวิธีการของพุทธศาสนาเรียนจากข้างนอกแต่ว่าน้อมเข้ามาข้างในตามปกติจะเรียนจากข้างในลราสังเกตนะครับลมหายใจเข้าออกเรียนจากข้างในอิยาบทก็เรียนจากข้างในอิริยาบทย่อยก็เรียนจากข้างในเออาการสามสิบสองเรียนจากข้างในธาตุเรียนจากข้างในเรียนจากข้างในไม่เห็นหะาข้ออะไรอยังไม่เห็นแล้วก็เอามาเรียนเอามาเรียนจากข้างนอกก็คือเรียนจากศพคนอื่นแต่ก็กลับไปมองกลับไปที่หาข้างใน แล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาว่าร่างกายของเรานี่ก็เป็นอย่างนี้แหละเอวังธโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตไม่รุวงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อย่ตลอดถึงที่สอบที่เขาเป็นทิ้งในป่าช้าเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อเลือดแล้วยังมีเส้นเด็ดึ่งรัดอยู่เธอก็น้อมเข้ามาหาหาตัวเมืองการว่าอยังปีโกงเอก้อยังปีโกกาโยเอวังธโมเอวังภาวีวังนัตติโต ถึงร่างกายอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้มีล umping ค, ความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วก็จะพิจารณาเห็นกายจนถึงก็ไปพิจารณาส่ว น, นต่างๆของร่างกายที่มันถูกสัตว์กระจา ก, กระจายไปกระดูกกระนั่งนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็ว่าไปนะครับเต็มกระดูกมือกระดูกเท้ากระดูกแข้งกระดูกขากระดูกเสะเอว กระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกหน้าอกกระดูกแข้งกระดูกไหลกระดูกคอกระดูกคางกระดูกฟันกระดูกกระโหลกศีรษะน้ก็ไปกระจายอยู่ตรงนั้นแหละกองเกลื่อนอยู่ก็ดูเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วอาจจะมองย้อนกลับไปเมื่อเดิมเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยกาะกลุมกันแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความรักความชัางของบุคคลทั้งหลายแต่ในสุดมันก็เป็นอย่างเนี้ยคือคนเราก็คิดถึงความตายไว้บ้างนไะ คือยังไม่รู้ว่าจากมึงป่วนโลกป่วนบ้านป่วนเมืองอะไรกันนั่นหนแล้วก็ยุ่ยแจ้งอะไรอะไรข้าวครอบครองเนี่ยคือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจอย่างชาวบ้านอย่างข้าราชการอะไรก็วิ่งเต้นหายศหาตําแหนง่งแล้วพระก็เป็นเขาด้วยวิ่งเต้นหายศหาตําแหนง่งหาสรมะศักดิ์ก็ใหญ่โตกันคือคือยังนึกว่าในแ ง, งค่ความเนจริงเนี่ยพวกนี้มันมากกิเลศ ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันนะนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันเราก็ใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันในแง่ของสังคมเนี่ยมันทำให้เราได้สถานะจากสังคมจะพูดจะจาอะไรมันก็มีน้ําหนักขึ้นสามารถทํางานได้คล่องตัวขึ้นแต่ว่าถ้าไปหลงมันก็ตั้งเป็นตันหามานาติเติขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือกายเรานี่ตายแน่นะะ จะต้องแตกดับไปเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการแปรพันไปอย่างอื่นแล้วก็ตายคนอื่นก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือสรุปว่าตอนนี้ชักศพมันจะเยอะมากนะะเยอะมากดูกันมาจนถึงชกักศพที่เขทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นท่อนกระดูกนะผุละเอียดขนาดมาตัวเนี้ยจนผุละเอียดคือเรียกว่าศพมีเรียนได้ทุกตอน เย็นได้ทุกตอนแต่อย่าเอาตอนตายใหม่ๆนะอย่าต่างตายใหม่คือเอามาตั้งแต่เริ่มเปิดหน้าปุพังมีกลิ่นเหม็นแล้วแต่ที่ดีก็ให้เละให้เละ ไ, ไ, ไปเกิดให้เละไปก่อนนะี่ถนัดดีแล้วก็เพื่อจะน้อมเข้ามาตนวร่างกายของเราก็เป็นอย่างเนี้ยหลงไหลไขว่ขันเบ่นเพอ้อพิริรย์ไปไรรำพันกันอยู่ก็ธรรมดาอย่างเนี้ยเราก็เสร็จแล้วเราก็เป็นเศษกระดูกปนๆอย่างเนี้ย การทำใจสงบระงับที่เรเตสังโมหิสมุสุลสโลในการทําใจสงบระงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายจะได้เนี่ยอย่างน้อยก็ลดความรักชังลงไปเพราะจริงๆมันก็เป็นธาตุนะไม่ใช่เป็นศพเป็นศพเป็นนะฮะเป็นศพเป็นแล้วก็ชิงชังกันเสร็จแล้วทุกคนก็เป็นศพตายด้วยกันแล้วก็เปิดหน้าผูพังไปตามการมันจะเอาอะไรกับางนนาสิ่งที่ มีค่าจริงๆแก่ชีวิตก็คือคุณธรรมความดีที่บุคคลจะต้องอาศัยร่างกายซึ่งเปลืยหน้าผูพังเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างขึ้นแล้วร่างกายนี้เราก็ต้องทิ้งเขาแน่นอนนะครเราไม่สามารถจะครอบครองเขาได้ตลอดไปอย่างที่บอกไว้ว่าสิ่งที่เราครอบครองก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ครอบครองสิ่งที่เราไม่คิดจะครอบครองก็คือสิ่งที่เราจะได้ครอบครองอันเด็กต้งังทั้งหลาย